หลับตาฝ้ายมันตัวเปลาฝันตาตเตยขึ้นมา แลวก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามปรากันจาก็คงจะเป็นเรื่องราวของท่านมหาเสนาบดีตอนที่หนึ่งสำหรับเรื่องรางเคสตินจะเป็นเรื่องราวที่ต่อนเนื่องกับสเกตคาวสั้นทันบราโลกของคุณพ่อประยุทธ์ยุนสมรนหวานเสมอ ซึ่งเป็นเรื่องราที่เคยออขามผ่านไปแล้วเนี่ยเลยจ้าถ้าลูกๆนักเรียนอนุบาลฝันด้วยฝันทุกคนยังจํากันได้เนี่ยในเคสจังกราก็ได้เล่าถึงเรื่องราวการสร้างบารมีของลูกบาิกาเขตในกับประจารย์หัวหน้า ง, งานของตัวเธอในพุทธันดรที่ผ่านมาซึ่งก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประจานหัวหน้า ง, งานของตัวเธอในภพชาตินั้นนะสามารถทําความฝันที่ตัวท่าน ไดตั้งความปรารถนาเอาไว้ให้เป็นจริงได้นั่นก็คือการได้รับเลือกให้เป็นทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ที่รับใช้ก็ได้ชิดพระราชาองค์ที่ออกโบสชนี่ในพุทธนนทที่ผ่านมาจะซึ่งบุคคลที่ทำหน้าที่คัดเลือกว่าใครหูจะได้มาเป็นทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ในพุทธนนที่ผ่านมานั้นก็คือท่านมหาเสนาบดีนั่นเอง เราจากันได้ไหมจ๊ะซึ่งมหาเสนาบดีท่านนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญมากๆมากๆบุคคลหนึ่งในพุทธดอนที่ผ่านมาเลยทีเดียวที่บอกว่าท่านมหาเสนาบดีนะเป็นบุคคลสําคัญแบบมากๆเนะึ่งทั้งนี้ก็เป็นเพราะท่านมหาเสนาบดีท่านนี้เนี่ย ท่านเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถถ้าพูดเป็นภา ษ, ษาบูริมก็คือท่านเก่งทั้งบูและบุญอ้อนี่นะใช่ เ, เรียกว่าจะเป็นของเบ้งของบง้องยังต้องเป็นรองท่านนี่อีกทั้งทั้งยังเป็นผู้ที่มีวิชั่น หรือเป็นผู้ที่มีวิสัยทัดกว้างไกลและไม่ธรรมดามากๆชัดไหมใช<า>่เรียกจะว่ามองอะไรขาดชัดไหมช<า>แล้วก็ไม่เคยพลาดในทุกครั้งที่ตัดสินใจช<า>่อืม ช, ดช<า>ดัดเนาะ <laughs> <laughs> นอกจากท่านหมหาเสนาบดีท่านนี้ จะเป็นผู้ที่เพียบพร้อมในความรู้ความสา ม, มารถแล้วธรรมาเสนาบดียังเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็นอย่างมากชนิดที่เรียกว่าถวายหัวถวายใจยกให้ไปเลย<า>คือถวายตัง้ตงแตง่หัวไม่โป้งไล่ <c oughs> <c oughs> ไล่เรื่อยลงมาเลยเนานะ ท่านมาเสนาบดีสา ม, มาถวายได้หมดแล้วพูด ง, ง่ายๆคือทั้งตัวและหัวแจงท่านมหาเสนาบดีเนี่ยท่านได้ถวายได้พระราชางที่ออกบทไว้หมดแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ดังนั้นการที่ท่านมหาเสนาบดีจะคัดเลือกใครสักคนเนี่ยมารับใช้ใกล้ชิดบุคคลที่ท่านรักและเคารพอย่างสูงสุดซึ่งก็คือพระราชาองคที่ออกบชนั่นนหะ ท่ามหาเสด็จพอดีจริงต้องคัดเลือกนายทหารคนนั้นด้วยตัวท่านเองซึ่งในเวลาที่ท่านทําการคัดทหารมหาดและรักษาพระองค์ท่านจะคัดแล้วคัดอีกเลือกแล้วเลือกอีกชัดไหมใช่ <S <S เพื่อให้ได้นายทหารที่มีคุณสมบัติตามที่ตัวท่านตั้งเอาไว้นี่ชัดไหม เรียกได้ว่าในทหารผู้ที่ถูกคัดเลือกนั้นจะต้องเป็นระดับแชมป์หรือระดับหัวกะทิหรือหัวเพชรเท่านั้น oh. ถึงจะสามารถมารับใช้กระไรชิดพระราชาขที่ออกบวชได้ชัดไหมนี่เนาะดังนั้นบุคคลที่สามารถคัดคนในระดับแชมป์ให้มาสนองงานแล้วก็รับใช้กระไรชิด พระาชาที่ออกบทได้เนี่ยบุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลระดับตํานานอ่าต้องตำนานานนี่เออนี่นะจ๊ะตำนานถึงจะอร่อยนี่ไม่ใช่ตาเดียวเดียวนี่นะเออยังส้มตายังตำเดี๋ยวเดียวนี่อร่อยกว่าส้มตาเพราะตานานเออนี่เนาะหรือเป็นบุคคลระดับซูเปอร์แชมป หรือแชมออป์อบแชมป์สตเตด็ย้ยคสสิ่ผ่านมาเราก็ได้ยินได้ฟังและก็ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงเรื่องราการสร้างบารมีของบุคคลที่อริยกว่าแชมป์เนี่ยมาหลายต่อหลายท่านแบบเยอะแยะมากมายแล้วมาในคราวนี้ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องมาศึกษาเรื่องราการสร้างบารมีของบุคคลระดับตำนานอ๋อนี่เนาะ หรือบุคคลระดับซุเปอร์แชมป์หรือแชมป์ออฟแชมป์ซึ่งก็คือท่านมหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวชนั่นเองเรื่องก็มีอยู่ว่าในการละครั้งหนึ่งวันสพอร์นาได้นานมาแล้วานานมากทีเดียวา น, นานจนจำไม่ได้แล้ว นอ น, นานเพราะตามนานมากนี่เนาะอ๋อแบบยอ้อนยุคไปถึงพุทธดรที่ผ่านมาซึ่อยู่ในยุคสมัยหลังจากพุทธบริญญานิพพานของพระกัสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจา้าพระองค์ที่สามในพระธลกับนี้<อ>แม้ว่าในยุคสมัยนะั้นนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธบริญญานิพพานไปแล้วก็ตามเจะเปไปเรื่องราวหลังจากพุทธบริญญา น, นะจ๊ะ แต่ถึงกระนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็ยังคงดำรงอยู่อีกทั้งพระพุทธศาสนาก็ยังคงเป็นศาสนาหลักของโลกในยุคสมัยนั้นอีกด้วย oh. ในยุคสมัยนั้นนะจ๊ะ <Yeah. S 1> เราพูดกันเป็นภาษาบ้านๆก็คือประชากรโลกส่วนใหญ่ยังคงนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักนั่นเอง ส่ละที่ความเชื่ออื่นๆเจลติทรงเจ้าข้าผีหรือละที่ความเชื่อแบบเทวนิยมต่างๆเป็นต้นที่นับถือเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้อะไรต่างๆที่ตัวเองมั่นใจว่าเวลาตัวที่ประสบความทุกข์ทรมารนชีวิตก็จะไปขอความช่วยเหลือและช่วยได้แล้วก็มีเรื่องราวตำนานอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เลื่อนลอย แล้วพอนับถือกันต่อมาก็รุ่นหลังๆที่มาเกิดใหม่ก็ไม่รู้เรื่องนะก็เลยเชื่อกันนำตามไปนี้จ้ะและ้วย่งถูกบังคับให้เชื่อและห้ามถามด้วยแล้วก็นะก็ไม่มีความรู้ตรงนี้เลยจ้ะซึ่งแล้วที่ความเชื่ออื่นๆเหล่านั้น่ะก็จะมีอยู่บ้างนะจ๊ะในยุคนั้นอนะ่ะในบางพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปจากศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา สำหรับสภาพสังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคสมัยนั้นรในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ที่อิงกับธรรมชาตินี่นะจ๊ะจะเกื้อกูลกันธรรมชาติาอาศัยมนุษย์มนุษย์ก็อาศัยธรรมชาติมนุษย์จะไม่ทําลายธรรมชาติอีกทั้งไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันนี้ สังคมในยุคนั้นยังเป็นสังคมกเกษตรกรรมที่มีอริยธรรมจะได้รุ่งเรืองนำความผาสุกให้เกิดขึ้นเงิดชนส่วนใหญ่ตรงนั้นนะจ๊ะโนโลกโดยมีวัดในพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านเหมือนยุคโบราณการของเราในยุคนี้นะจ๊ะที่แต่ก่อนนั้นวัดจะเป็นศูนย์กลางที่รวมใจของหมู่บ้านนะจะ ชาวบ้านชุมชนนั้นแล้วก็จะมีการพึ่งพาสายซึ่งกันและ ก, กันรเรียกได้ว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างส ง, งบสุขและอยู่กันแบบพี่พี่น้องน้องส่วนการเดินทางไปไหนมาไหนนยุยุคนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็อาศัยมาระวัวเทียมเกวียนเป็นหลักนี่เลยจ้ะดั่งไปพลันเลย <c oughs> ตะกรายหลับในเครือ่ยได้เก่งมากเนาะสหรับสภาพของดินอากาศฟ้าในยุคนั้นก็จะมีสภาพอากาศที่บริสุทธิ์มากกว่าในยุคปัจจุบันนี้คือ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอากาศเสียและไม่มีมลภาวะที่เป็นพิษอย่างที่พวกเรากําลังพบเจอกันอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ย ทั้งฝนก็นยังตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วยเรียกได้ว่าในยุคนั้นจะไม่มีฝนหลงฤดูไม่มีภาวะฝนแรงจะทำใหม้มีโอกาสแห่นางแมวกันอืนี่เนอะจซึ่งกระส่งบลทำให้พืชพันธัญญาหารในยุคนั้นมีโอชารสแล้วก็มีคุณภาพที่ดีกว่าในยุคปัจจุบันมากกว่ามากๆ และดความที่อาหารก็ดีอากาศก็ดีเยี่ยมนี้เองสิ่งแวดล้อมก็ดีหมดดินอากาศฟ้าผู้คนอะไรต่างๆเลยเนะจ๊ะก็ยังมีศีลมีธรรมกันนะจ๊ะทำให้มนุษย์ในยุคนั้นมีอายุขยที่ยืนยาวมากกว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้มากๆจะเป็นลองจะไปยุคระษีอริยเมตตรยุคหน้านนเนาะ สตจราหทางภูมิประเทศของโลกในยุคสมัยนั้นหรือในพุทธนดอนที่ผ่านมานะจ๊ะจะมีผืนดินกับผืนน้ำที่พอๆกันเนาะเ<อ>ดีนยนี้เจ็ดสิบ้ายี่ห้า<อ>คือผือนน้ำเจ็ดสิบ้าเปอเซ็นเจ็ดสิบ้าในร้อยเนยจะ<อ>เป็นดินก็่ ย, ยี่สิบห้าในร้อยแต่ยุคนั้นจะมีผืนน้ำกับผืนดินเนี่ยพอๆกัน โดยพื้นที่จะเป็นแผ่นดินจะมีความกว้างใหญ่แล้วก็เชื่อมติดกันมากกว่าสภาพภูมิประเทศในยุคปัจจุบันที่ถูกแบ่งออกเป็นทวีปเล็กทวีปน้อ ย, อยต่างๆแต่ถึงกระนั้นในบางพื้นที่ในยุคสมัยนั้นก็ยังมีพื้นที่จะเป็นเกาะแก่งอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีกระจัดกระจายมากมายเหมือนในยุคปัจจุบันนี้นะจ๊ะนี่เราฟังเอาสนุกสนุกเนาะอืมเพลิน การสต า, สาเรียนรั บ, บาล น, นะจ๊ะอย่าไปซีเรียส น, นะให้ไปค้นหาเองเนะนอกจากนั้นในแต่ละพื้นที่ของยุคสมัยนั้นจะมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นแคว้นและแคว้นใหญ่โดยที่บางแคว้นในยุคสมัยนั้นก็จะมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศใหญ่ๆประเทศหนึ่งในยุคสมัยนี้ แต่ก็มีบางแคว้นที่มีขนาดใหญ่เพียงแค่จังหวัดจังหวัดหนึ่งในประเทศของเราเท่านั้นสำหรับระบบการปกครองในยุคสมัยนั้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยจ้ะก็จะปกครองกันด้วยระบบกษัตริย์ที่ทรงทศพิธอราชธรรมและในแต่ละแคว้นก็จะมีอิสระในการปกครองดูแลแคว้นของตัวเองไม่ว่าในยุคสมัยนั้นจะอยู่กันแบบพี่แบบน้อง และมีการแบ่งระบบการปกครองอย่างเป็นสั์เป็นส่วนแบบแควนคลายแควนท่านและแล้วก็ตามแบ่งเป็นสั์เป็นส่วนแต่ในบางครั้งนี่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้แต่ละแคว้นเกิดการกระทบกัะทัางกันบ้างเหมือนกันคือในยุคที่โลกมนุษย์ในยุคนั้นของโลกยุคนั้นมีศีลธรรมมากเนี่ย การทะเลาะเบาะแวงก็จะไม่ค่อ ย, อยมีแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันนะจ๊ะเพียงแต่ว่าเหตุการณ์กระทบกระทั่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นทีเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันนี้นี่เนาะยุคปัจจุบันนี้เกิดขึ้นโทุกวันเลยโทุกวนกันโน้ยกันกระทบกระทั่งกันในหลายรูปแบบเนาะอาจจะใ น, นการบริหารจัดการในแต่ละแควนจะเป็ลักษณะที่คล้ายๆกัน คจืจะมีหน่วยงานราชการต่างๆจะมีน่วยงานทหารจะคอยดูแลความปลอดภัยของประชาชนมีหน่วยงานอาการจะคอยทำหน้าที่เก็บภาษีของประชาชนเหมนต้นนะจ๊ะส่วนรไร้ฟ้าประชาชนของแต่ละแคว้นก็จะมีอาชีพที่หลากหลายเคล้ลาก่อนไปซึ่งโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก เป็นปลกูกพืชผักผลไม้หรือเลี้ยงสัตว์เพื่อนําไปขายเป็นต้นแต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่ประกอบอาชีพอื่นเช่นรับราชการบางเป็นประค้ายหรือแม่ค้าบ้างเป็นต้นที่เลี้ยงสัตว์นำไปขายมีปริมาณไม่ได้มากเท่าไหร่นะจ๊ะที่ขายให้เขาไปค่าหรือไปอะไรต่างส่วนมากจะเอาไปเลี้ยงเงนไปอะไรต่าง มนุษย์มีสินทำ ม, มากซึ่งการซื้อขายสินค้กาก็ใช้การแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราเหมือนอย่าง ใ, ยงในยุคปัจจุบันเนี่ยแต่เรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามที่สุดนั่นก็คือในยุคสมัยนั้นจะมีแคว้นที่สําคัญอยู่แคว้นหนึ่งซึ่งแคว้นแห่งนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นแคว้นที่มีขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนักแต่ทุกตัวแคว้นที่อยู่โดยรอบต่างก็ต้องหันมามองมามองแคว้นนี้ ด้วยความสนใจเนี่ยว่าทำไมทำไมเนี่ยแคว้นนี้ถึงเป็นแคว้นที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความเจริญด้านจิตใจออนี่เนาะเสร็ ว, ว่าเรื่องราวและรายละเอียดของแคว้นที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรแคว้นนี้จะเป็นแคว้นของใครใและน่าติดตามแค่ไหน เราจะเอาไงดีเอาเหรอในยุคสมัยนั้นพระเดศพุทธนอนที่ผ่านมานี่นะจ๊ะความที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ความเจริญทางด้านจิตใจอย่าง absolutely perfect เนแคว้นที่น่าหยดมั่ที่สดแคว้นหนึ่งในยุคสมัยนั้นนั่นเองนะจ๊ะซึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแคว้นดันกล่าวมีความเจริญ ร, รุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ปไปกับจิตใจในั้นนั่นก็คือไร้ฟ้าประชาชนทุกชนชั้นเดีรรยดสัยหยุดภายในแคว้นแห่งนี้ล้วนแต่มีความรักและความศรัทธานในพระพุทธศาสนา อย่างมั่นคงอีกทั้งยังชอบเข้าวัดฟังธรรมรักการประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลเป็นชีวิตจิตใจยิ่งไปกว่านั้นมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายที่อยู่ภายในแคว้นแห่งนี้เขาก็กจะชอบชักชวนกันสร้างสมบุญอยู่เป็นประจำและทำอย่างสม่าเสมอ จะไม่ถามว่าทำไมทําบุญบ่อยจังเออนี่เนาะอีกทั้งแต่ละคนยังทาหน้าที่อุปถพพัมภะอุปถัมภ์วัดได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยและด้วยความที่ไพร่ฟ้าประชาชนดอาศัยอยู่ภายในแคว้นแห่งนี้ล้วนแต่มีศิลธรรมประจำอยู่ในใจนี้เอง จึงทำให้แต่ละคนต่ก็ดำรงชีวิตยอยู่บนพื้นฐานในความถูกต้องและดีงามโดยทุกคนจะประกอบสัมมาอาชีวะหรือประกอบอาชีพที่สุจริตแล้วก็มีอิสระในการทำมาหากิน mm hmm. เวลาได้ผลกรามราชการประกอบอาชีพแล้ว mm hmm. ก็จะไม่ถูกรีดภาษีแบบไร้เหตุผล mm hmm. จากนายกรหรือหน่วยงานทางราชการ จะทำให้ประชาชนมัลัแคว้นแห่งนี้ตามมีเงินเหลือเก็บเพื่อไวใช้ในการดํารงชีวิตและสร้างสมบุญสร้างบา ร, รมีอีกทั้งเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลก็จะเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกโหนทุกแหง่งโดยไม่ต้องหวาดระแวงหรือหวาดกลัวเราจะมี ขโมยขโจรมาขมายหรือดักจีบเราในระหว่างทางแต่อย่างใดอีกด้วยโดยเหตุนี้จึงทำให้ไร่ฟ้าประชาชนที่อยู่ภายในแคว้นแห่งนี้เนี่ยต่างก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพราะแต่ละคนล้วนอยู่ดีกินดีและอยู่ดีกินอร่อยเรียกได้ ว, ด ว, ว่าแต่ละคนล้วนมีความสุขสบายกันทั่วหน้าเลยทีเดีย ว, วยนี่นะ อนอกจากประชาชนภายในแคว้นเนี่ยจะอยู่ในศีลธรรมและอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วพระภิกษุสัมเนรภายในแคว้นแห่งนี้อ น, นิกณนาศึกษานะเจ้าต่างก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่ จันเป็นผลทำให้เนี่ยพระภิกษุสัมมณเนแต่ละรูปมีความแตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาและก็วิชาธรรม ก, กายาโอ้นี่เนาะอืมนี่ในยุคนั้นนะ<า>เป็นอย่างนี้เนี่ยได้เหตุนี้เองพระภิกษุสัมมณเนเนี่ย จึงสามารถเทศสอนมหาชนทั้งหลายให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างแจ่มแจ้งและแจ่มชัดชัดไห ม, มนี่นะยุคนั้นชัดมากเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในยุคนั้นนะจ๊ะก็ได้แพร่หลาย ขยายไปยันทั่วทั้งแคว้นแห่งนั้น oh. อีกทั้งยังได้พอแรกขยายไปยังแควน้นอื่นๆ อ, อ, อีกด้วยโอ้นี่จะ้ะอกสูสาเ น, นลนสารูปนี่สามปอ <Yeah. S 1> ปฏิยบปฏิปัติปฏิเวทเทศนาและวิชาธรรมกาย <Yeah. S 1> นี่เนาะ <Yeah. S 1> นอกจากแคว้นแห่งนี้เนี่ยจะมีความเจริญทางพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดแล้ว แควนแ้นอย่างนี้ยังเป็นแคว้นที่มีสัมพันธไมตรีกับแคว้นอื่นๆในระดับสูคขอ ย, ส, ยออสุดยอดอีกด้วยนะเจ๊ะเ <c oughs> ราเรียกโดวยว่าเป็นแคว้นที่มี good r e l a t i o n s h i p หรือสมัรธภาพที่ดีต่อกัน <c oughs> จนทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามารุกลานนั่นเอง <c oughs> ในช่วงนั้นเนาะ แล้วแความที่แคว้นแห่งนี้มีสัมพันธไมตรีกับแคว้นหนึ่งอื่นในระดับสุดข้อ ย, ยอหรือสุดยอดนี้เองเนีจะจึงทําให้ผู้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกแคว้นเกิดความพึงพอใจอย่างมากเลยที่เป็นเช่นนี้กัรรบพวกราผู้พ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นะ สามารถที่จะเดินทางติดต่อซื้อขายสินค้าได้ทำการค้าระหว่างแคว้นได้อย่างสะดวกสบายง่ายได้และที่สำคัญที่สุดในเวลาที่มีการเดินทางเพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายออกไปยังแคว้นต่างๆก็าสามารถทำได้ง่ายและสามารถเผยแพร่พคาสอนได้อย่างราบรื่น ไม่มีติดไม่มีขัดหรือถุร ก, กิจการจากแควนอรอบข้างนี่ในช่วงที่ขยายในจะต่เหตุนี้จึงทำให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมการในยุคสมัยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากไม่ใช่เพียงเท่านั้นสภาพบ้านเมืองภายในแคว้นนังกล่าวก็ยังมีความสงบเริ่มเย็นและสะอาดสะอ้านเป็นอย่างมากด้วย ดังนั้นในกรณีที่เกิดการลบพุ่งกันนั้นๆจะมีสักครั้งอย่าลอมว่ายังไม่ได้หมดกิเลสนะจ๊ะกับยุคพุทธนันทผ่านมาก็ยังเป็นอรองยุคหน้ายุคพรสีอริยะไม่ไตรที่มีจศีงมีทรรมกันทั้งโลกแล้วก็มีพระเจ้าจากาักรพรรดิบังเกิดขึ้นด้วยพระเจ้าสังขะลรมประชาภิราชที่จะปกครองทวีทั้งสี่แล้วก็ มนุทุกคนที่อยู่ภายใต้ความปกครองก็ไ้รับคำสั่งสอนอบรมจากพระเจ้าจากักรพรรดิให้มีสีหน้าไม่ใช่เพียงแต่นั้นสภาพบ้านเมืองภายในแควน้นดังกล่าวก็ยังมีความสงบร่มเยะลรกสะอาสอาดเป็นอย่างมากนอกจากนั้นตามนถนทนทางและตามบ้านเรนือนต่างๆก็จะมีต้นหมากต้นไม้ต้นใหญ่ๆขึ้นปกคลุมอยู่เป็นระยะระยะ ึ่งเป็นบอลทำให้อากาศภายในแคว้นแห่งนี้มีความสะอาดบริสุทธิ์และปราศจาก พ, พิูลชันไม่มีมลพิษเหมือนอย่างอากาศในโลกยุคปัจจุบันซึ่งก็นแน่นอนว่าความเจริญทั้งหมดทั้งมวล น, นั้นน่ะไม่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความมัเอนแต่อย่างใดเพราะแท้ที่จริงแล้วแคว้นแห่งนี้ได้มีพระราชาองค์ที่ออกบท ซึ่งเปนพระราชาที่ตั้งอยู่ในธรรมและเพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถนี่นะนี่ขั้นเทพเลยพวกครองดูลการแห่งนี้อยู่นั่นเองนี่นะด้วยความที่พระราชาที่ออกบวชทรงบริหารบ้านเมืองได้อย <pl ains> ่างดีเยี่ยมนี่นะ จนทำให้พลายฟ้าประชาชนได้รับความสุขสบาย ก, กันอย่างทวนหน้านี้เองจึงทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักและเคารพของพลายฟ้าประชาชนทุกระดับระดับไหนมึงจ๊ะระดับรากหญ้าระดับบนหญ้าจ้องกระตั้งไปถึงระดับไฮโซนะี่ ในการบริหารราชการแผ่นดินของพระราชาองค์ที่ออกบทนั้นที่ราบลื่นนั้นพระบาทพระองค์ทรงมีมหาเสนาบดีคู่ใจยอยู่ท่านหนึ่งอ๋อจะเป็นบุคคลสําคัญในระดับสุดพิเศษและพิเศษสุดหรือเป็นแชมป์ออฟแชมป์ส่วนเรื่องราวความสุดพิเศษและพิเศษสุดของท่านมหาเสนาบดีคู่ใจจะเป็นอย่างไรนะั้น เราในการบริหารงานราชการแผ่นดินของพระราชาที่ออกบวชนั้นพระองค์ทรงมีมหาเสนาบดีคู่ใจที่เป็นแชมป์ออบแชมป์ที่กล่าวชนิดก็หาที่กล่าวเกินจริงไ่เพระท่านมหาเสนาบดีคู่ใจท่านดีี จะคอยถวายงานรับใช้พระราชาองที่ออกบทได้อย่างเ e อร์เฟกตนี่นะหรืออย่างดีเยี่ยมแบบสุดๆคือท่านสามารถที่จะสนองงานพระราชาองที่ออกบทได้อย่างแบบกรอบทิศเลยทั้งหก <c oughs> นี่นะแล้วก็เจะลึกในทุกสถานการณ์ ชัดไห ม, อ, มอีกทั้งยังกรอบคระมปทุกวงการอีกด้วย oh. และเพื่อไง่ายๆคือท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยดูแลแคว้นแห่งนี้ให้เกิดความสงบสุขดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง oh. นี่นะแบบรอบทิศเลย oh. นี่นะซึ่งในเวลาที่ท่านมาหาเสนาบดีสนองงาน พราชองที่ออกบวชท่านก็นจะทุ่มในทั้งกระแรงกายและแรงใจแบบสุดกำลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงไม่ได้แบบซูเปอร์เอฟเฟกซ์ลยเพอร์เฟาที่พระราชที่ออกบวชได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่แม้ว่าแควงพระราชงที่ออกบวชจะกว้างใหญ่มากขนาดไหนก็ตามแต่ท่านมหาเสนาบดีก็บโบยัน ต่องงานที่อรออยู่ตรงหน้าคือท่านจะคอยสอดส่องแต่ท่านมหาเสบดีกระบอกยันนะต่องงานที่อรออยู่ตรงหน้าคือท่านจะคอยสอดส่องดูแลแคว้นแห่งนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเป้ประชาจัรที่อยู่ภายในแคว้นได้รับความสุขสบายกันทั่วนหน้ า, าโอ้นี่เนาะ อีกทั้งท่านมหาเสนาบดียังจะคอยควบคุมดูแลเหล่าเสนาบดีแม่ทัพนายกองข้าราชการและข้าราชบริพาททั้งหลายตั้งอยู่ในกฎระเบรียบวินัยแล้วก็ปฏิบัติหน้าเองตัวเองอย่างเคร่งครัดไม่ใช่เพียงเท่านั้นท่านมหาเสนาบดียังจะคอยดูแลให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่เหล่าข้าราชการในทุกระดับชั้น โดยตัวท่านเองอย่างก็ได้ชิดมาโดยตลอดอีกด้วยซึ่งการที่ท่านมหาเสนาบดีต้องลงมาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างโดยตัวท่านเองอย่างก็ได้ชิดขนาดนี้นั้นซึ่งนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านมีความปรารถนาอยากที่จยะกระไรการทุกๆคนดูแลเอาใจใส่สารทุกสุขดิบของชาวบ้านด้วยความรักความเอาใจใส่ และปรารถนาดีต่อประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองนี่เนาะนี่ละจ้ะเราที่สำคัญท่านมหาเสนาบดีเนี่ยยังเป็นผู้ที่มีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวิญญาณในความเป็นโรูในระดับที่สูงมากๆเลยนี่เนาะจ้ะคือท่านจะคอยอบรมสั่งสอนเหล่าข้าราชการทั้งหลายตั้งแต่เรื่องเล็กๆ จะกันตั้งถึงเรื่องใหญ่ๆๆๆนี่เนาะด้วยความรักและปรารถนาดีอยู่เสมอขนาดเดินผ่านหน้าก็เรียกว่าดื่มน้ำน้อยอ้าว <c oughs> ด้วยความหงใายกระดูพุ่งโคตรแล้ว <c oughs> ด, ด, ด้วยความรักและปรารถนาดีอยู่เสมอรประดุจขราการเหล่านั้นเป็นดั่งพี่น้องและลูกหลานตัวท่านเองเลยทีเดียวหา ย, ยากนะ อ, อย่างนี้หา ย, ยากมากและด้วยความที่ท่านมหาเสนาบดีได้คอยดูแลใจใส่เราก็าราชการทั้งหลายด้วยความรักและปรารถนาดีนี้เองจึงทําให้เราข้ราชการทั้งหลายต่างก็รู้สึกรักและเคารพท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างมากถึงมากที่สุดมากถึงมากที่สุด นอกจากนั้นคราใดาที่เกิดกรณีพิพาทขึ้นมาภายในคูแนภายในนะจ๊ะ่าจะเป็นเรื่องระวางข้าราชการด้วยกันหรือเรื่องระหวางประชาชนกับข้าราชการก็ตามท่านมาหาเสนาบดีก็จะให้ความเป็นธรมกับทุกๆฝ่ายแล้ก็ตัดสินคดีความด้วยความเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมแบบสุดๆชีนี้ที่ว่าท่านเปาบุญจิ้น จิตปิทยาเป็นความยุติธรร ม, ย, รมยังต้องรเรียกเฮียกันเลยทีเดียวอ๋อสุดยอดได้เหตุนี้เองจึงทำให้เหล่าขรายการและประชาชนทั้งหลายต่างก็เคารพกฎหมายและอยู่ร่วมกันแบบคอมเพลมไพร คือปลองดองกร่อมชอมและอลุมณ์โลยซึ่งเป็นปผลทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสองอบสุขนั่นเองส่วนใที่ทําให้ท่านมหาเสนาบดีต้องทเทรรมทาหน้าที่ของท่านอย่างชนิดที่เรียกว่ามีเห็นแก่เนิแก่เหนื่อยนั่น น, นี่ยทั้นก็เป็นเพราะตัวท่านเป็นคนที่มีเหตุผลอยู่ในใจซึ่งเหตุผลที่ว่านั่นก็คือ ตัวท่านมีความรักและศรัทธาต่อพระราชังที่ออกบวชเป็นอย่างมากและที่สาคัญที่สุดก็คือท่านมหาเสนาบดีเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความเคารพต่อพระราชังที่ออกบวชอย่างสูงสุดซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ภายในใจของตัวท่านเองมาโดยตลอดเลย โดยการทำมนยิ่งใหญ่และการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เห็นแก่เน็ตแก่เหนือของท่านมหาเสนาบรีนี้เองจึงทําให้ท่านเป็นประดุดหนึ่งในเสาหลักที่สําคัญแบบสุดๆเป็นทั้งปนดุดเป็นทั้งเสานลยจ้ที่ทําให้แคว้นแห่งนี้เจริญอรุ่งเรืองทั้งเศรษฐกิจและจิตใจควบคู่ไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นครูผูใหญ่จึงอยากให้ลูกๆนักเรียนรุบานฝันในฝันวิทยาแต่มาศึกษาประวัติชีวิตการสร้างบารมีของท่านมหาเสนาบดียอดนักรับแห่งกองทัพธรรมูอเป็นบุคคลระดับตำนา น, นหรือเป็นบุคคลระดับซุปเปอร์แชมป์หรือแชมป์ออฟแชมป์จ หับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปโปรดหายใจหลึกๆและกระแตกใจเบาๆที่ศูนย์กลางกาย <Yeah. S 1> เพราะลูกๆจะได้รู้ชากถึงเรื่องราวงดงามที่นาเป็นต้นบุญนั้นแบบและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีและที่สำคัญลูกๆทุกคนจะได้เริ่มอนุโมทนาบุญในการสร้างบารมีของท่านมหาเสนาบดีอีกด้วย <Yeah. S 1> ดีไหมจ๊ะ เราหมมรองหรือไตเต้นเรื่องกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะจ๊ะ <Okay. S 1> นักเรียนอนุบาลคงอยากจะร้เรื่องรลวท่านมหาเสนาบดีแบบเจาะลึกมากกว่านี้มั้งใช่ห <Yeah. S 1> อือ <laughs> าจจะกลาถึงชาติระกูลท่านมหาเสนาบดีก็เป็นบุคคลระดับตํานาน <Yeah. S 1> ก็ถือว่า ท่านเป็นคนที่มีชาติตระกูลแบบสุดๆคนหนึ่งเลยทีเดียวในพุทธนรที่ผ่านมานะจ๊ะที่กลาวมาเช่นนี้เดีย๋ย่างนี้ก็เป็นพระท่ามาอาเซนาบดีได้เกิดอยู่ในตระกูลของข้าราชการระดับสูงหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่รับบรชาการอยู่ในแฝงของประราชาที่ออกบวชอย่างต่อนเนื่องมายาวนานหลายชั่วอายุคน คือตั้งแต่รุ่นของคุณปู่ของท่านมหาเสนาบดีก็เคยทํางานเป็นเสนาบดีในราชสมัยของพระอัยกกาคุณปู่พระราชาที่ออกบวชโอเนี่ยนะพระเจ้าปู่นั่นเซึ่งการารับราชการหรือเรื่องการสนองงานารับใช้ใกล้ชิดพระราชาในระดับแนวหน้านี้ นับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจยอย่างสูงสุดของตระกูลท่านมหาเสนาบดีเลยก็ว่าได้ดังนั้นมันบนรรพบุรุษในตระกูลท่านจึงสืบทอดความภาคภูมิใจที่สนองงานรับใช้ใกล้ชิดพระราชาบรรลายต่อหลายรุ่นจึงกระั่งมาถึงเรื่องของคุณพ อ, องท่านมหาเสนาบดีซึ่งคุณพองท่านมหาเสนาบดี ในพุทันดอนที่ป่านมาก็ได้รับราชการเป็นท่านข้าหลวงผู้แทนพระองค์ไป ท, ทำหน้าที่เดินทางไปตรวจราชการตามหัวเมืองต่างๆในสบายของพระราชบิดาพระราชาที่ออกโบสถด้วยเช่นกันอเอเแล้วแล้วเนะอะแล้วเมื่อมาถึงรุ่นหลานก็จะมีผู้สืบทอดอุดมการณ์ และความภูมิใจของวงศรงกูลของท่านซึ่งประสืบทอดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือท่านมหาเสนาบดีหรือพระเอกในเรื่องนี้นั่นเองแต่กว่าจะมาเป็นท่านมหาเสนาบดีผู้เป็นบุคคลระดับตำนานได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนจ๊ะมันสยาก เพราะท่านจะต้อ ง, องถูกต้องจะ <laughs> จิตเรามาเกิดก่อนอ เ, เออคือจะเป็นอยู่ในเทวโลกก็หาได้ไหมนี่เนาะตั้งจิตมาเกิดก่อน <laughs> มาเกิดเป็นมนุษย์ <laughs> <laughs> นี่ซึ่งพอ <laughs> ซึ่งพอมาเกิดท่านก็ไม่ได้มาเกิดเป็นลูกคนโต เรเปลูกชายคนเล็กแต่ท่านมาเกิดเป็นลูกคนกลางในจำนวนพี่น้องหลายคนและที่น่าสนใจยิง่งกว่านั้นก็คือเมื่อท่านมาเกิดแล้วท่านก็กลายเป็นเด็กอัศจรรย์ที่ใครในบ้านก็รักโอ้ oh. ส่วนว่าทำไมตัวท่านถึงเป็นที่รักของทุกคนในบ้าน